เมื่อได้ฟังคำสอนของพระสมเด็โคดมแล้วไม่จำนวนมากกว่า <het noise> ขอบคุณมาก <het noise> ท่านวีรศรีหะที่ท่านตอบตามความเป็นจริง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 ดูสิดสวะ้ระาศิฮะเลนล้อ้กูไม่อาก ไ, ไม่ อ, อกูไม่ อ, อ, ไ, ม อ, อไม่เ บ, บ่งแค่น่ยเ่ยังอยนะถ้าทางกระสับกระสายเลยนะเผมไม่รู้จะตอบท่านเรวัตต์ว่ายังไงงังงนิ่งไปเลยนิ่งไปละท่านวีรสีิะข้าพเจ้าต้องขอโทษถ้าคำถามของข้าพเจ้าทาให้ท่านต้องเก้อเขินความจรงิงข้าพเจ้าไม่มีเจตนาเช่นนั้นเลยพิจิตรยาให้ท่านคิดให้รอบคอบก่อนจะกล่าวปราบปรามผู้อื่นเท่านั้น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 พระธรรมของพระบรมศาสดามีผลและก็เลิกตำหนิตีเตียนต่อไปเออเว็นอันว่าผู้แทนฝ่ายพุทธบริษัทก็ได้แก้ข้อกล่าวหาของฝ่ายนิครรนตกไปแล้วการโต้อตอบกันในวรรแรกข้าพเจ้าผู้เป็นประธานให้ถือว่าเสมอกันตามข้อตกลงเพราะฝ่ายตอบสามารถ ตอบคำถามได้อตอบไปนี่ให้คู่โตวาธีเข้าสู่ประเด็นอื่นต่อไปเขาไปเจ้าผู้เป็นประธานขออภัยผู้บริษัทเป็นฝ่ายถาม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 ข้าพเจ้าก็ได้ยินได้ฟังมาเช่นนั้นแต่ยังไม่เข้าใจแจมแจ้งว่าลัทธิกรรมวาดของท่านมีความหมายแค่ไหนและอย่างไรท่านเรวัตตหลักกรรมในาศาสนาของเรามีลักษณะแตกต่างจากกรรมในาศาสนาของท่านอยู่บ้างแตกต่างกันยังไงล่ะลักกรรมในาศาสนาของท่านถือว่าการกระทาที่จัดเป็นกรรมได้นั้น จะต้องมีเจตานาหรือความตั้งใจความจงใจอยู่ด้วยจึงจะเป็นกรรมเทนกระทาด้วยเจตานาพูดด้วยเจตานาคิดด้วยเจตานาถ้ากระทำพูดคิดโดยไม่ตั้งใจไม่จัดเป็นกรรมและไม่มีผลจจนในศาสนาของเราเราถือว่าการกระทาการพูดและการคิดไม่ว่าจะมีเจตานาหรือไม่มีเจตานา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 จนกวาา่าจะอธิบายแจ่มแจกถ้าอธิบายไม่ได้ก็หมายความว่าท่านจนต่อเหตุผลข้าพเจ้าหนึ่งคะแนนจะต้องเป็นของข้าพเจ้าถ้าจะว่าอย่างไงดูท่าทางท่านกระหายอยากได้คะแนนเหลือเกินนะเห็นกิริยาของท่านแล้วท่านอยากจะยกคะแนนให้ซะเลยแต่เมื่อมาหวนคิดถึงสุภาพสิทธิ์ที่ว่าพึงให้แก่บุคคลที่ควรรับข้าพเจ้าจึงจาเป็นต้องหยุดไว้ก่อนเอาละท่านบอกมาสิว่า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 เห็นควรยุติกะสติสำหรับคราวนี้ท่านวีละศีหัเป็นฝ่ายถามและท่านเรวตัตสามารถตอบได้เป็นอันว่าเสมอกันไปไม่มีฝ่ายใดได้คนแนนข้าพเจ้าซึ่งเป็นประธานเห็นว่าการต้วาทีวันนี้ได้ใช้เวลานานมากพอควรแล้วสมควรจะยุติสติวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าในนาขอนี้ขรณขอเชิญท่านเรวตัตมาต้กับฝ่ายเราอีก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 หลังคืนไปสิห้าปีนักรุงพระนศีราชาธานีแห่งแควนกาศีและคอนอังกาวแกระศักดิ์สิทธิ์แห่งชมพูทวีตนางเมติยาพามณีผู้เป็นสีพระยาของเมติยาเศรษฐีได้ให้กำเนิดแก่บุตรีคนแรกและตั้งชื่อให้ว่ารัตตาธานีเพราะอาศัยที่กุมารีน้อยมีฝ่ามือเป็นสีแดงจัดเป็นพิเศษกว่าคนอื่น แม้ว่าเม่ติยาเศษฐีผู้บิดาจะรู้สึกผิดหวัจงจุบ้าที่ไม่ได้ลูก้ายสืบอสกุลแต่การได้ลูกสาวก็นำความปราบรื้อปิติมาสู่มารดาและข้าทาสบริวารเป็นอย่างมากเม่ติยาเศษฐีรีบนำอวันเดือนปีเกิดของทิดาไปให้พระปุโรหิตผู้เชี่ยวชาญในทางพิยากรณนัก์ผูกดวงชะตาและทำนายทายทักให้ดวงชะตาของธิดาท่านมีลักษณะแปลกมาก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 รู้จักเมืองสาวัถีได้ยังไงนิวแล้วจากนีทีเดียวอย่าไปเลยรัตตปณีกลับเข้าบ้านเธออย่ามาเรียกฉันรัตตปานีนะจะไม่ได้ชื่อนี้แล้วหนูชื่ออะไรล่ะฉันชื่อลีลาวดีลีลาวดีโกรธละจําไว้นะฉันชื่อลีลาวดีตั้งแต่นี้ต่อไปเรียกฉันว่าลีลาวดีอย่าเรียกฉันรัตตปานีแต่นันขาด 你啦我的，爹妈当了两年。<笑> แม่ลูกขอถามอะไรแม่อย่างหนึง่งต้องจะถามอะไรแม่เลยจ้ะรัตปณนีลูชคือกีราวันดีจ้าแม่จะ้จะจะ้ะแม่ลืมไปก็โทษทีนะลูกกีราวดีต้องการจะถามอะไรแม่จ้ะนักขสาวทีอยู่ที่ไหนอยู่ทางทิศเหนือของที่นี่จ้ะไกลไหมไกลมากทีเดียวลูกถามทําไมอ่ะ ลีลาวดีอยากจะไปเมืองพาราณสีไปทำไมลูกไปเยี่ยมแม่ของลีลาวดีทำไมลูกพูดอย่างนั้นละ่ะก็แม่ของลูกก็นั่งอยู่ที่นี่แล้วไม่ใช่เหรอแม่เป็นแม่ใหม่ของลีลาวดีแต่แม่เก่าอยู่ที่เมืองสาวัตถีเพื่อไงล่ะท่านลูกอยากจะไปเมืองสาวัตถีเพื่อพบแม่เก่าตกลงจะพาไปพิสูจน์ความจริง มาถึงกรุงชาว์วทีแล้วนั่นล่ะพ่อเขาเรียกว่าอะไรนั่นคือประเชตาวานารามพระเชตาวานารามแต่ว่าตาคยอยู่ที่นั่นเวลานี้เขาอยู่ที่ไหนพระสปานีลูกเป็นอะไรไปลีลาวันนี้แคถือเรวัตตาเรวัตตาเป็นใครเขาเป็นคนรักของลีลานี้คนรักถูกแล้ว เขาเป็นคนรักของรลีลาวดีเขาเคยอยู่ที่พระเชทวันารมนี้ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เขาอยู่ที่ไหนอ๋อลีลาวดีหนุห่มหแล้วแต่ว่าตาอยู่ที่กรว่าัชเคราะและคอนหลวงของมะคอดรัฐพ่อกรว่าจชเคระห์อยู่ที่ไหนไกลมากไหมอยู่ในแควนมคอตครไกลมากทีเดียวลูกเอ้ยไกลมาก บางทีในชาตินี้พ่อคงไม่มีโอกาสได้ไปเห็นกรุงราชครึก